ริปูเรนติสก า, ารังเอวเมวาอิโตทินังเปตานางอุปา ก, ะกะปะติสายน้ำไหลาลางมา จากภูพาป่าดงดอนไหลลงสู่สาครเต็มล้นฝั่งได้ช้นได้บุญที่มวนญาติมิตรต่างตั้งจิตอุทิศไทยญาติทั้งหลายตายจากไป รับถึงได้ดุดเดียวกันอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชะตุ สัเพปูเรนตุสังกปังจันโทปนรารโสยธามานิชโชติรโสยธา ได้หรือตั้งใจปรารถนานั้นสำเร็จเสร็จสมพลันตามที่ท่านบุงไม้ปองดำริตรีดนึกคิดจงสำริดผลสนอง เต็มเปี่ยมตามตรีตรองดุดจานเพ้น เ, นเดนนาภาเหมือนแก้วมณีโชตงามไพโรดยิ่งนักหนานึกได้ได้ขึ้นมาเห็นทันตาตามต้องการ วัันตุสัพพโรโควินันตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีที่คายุโกภวั พันภาจันท์ไรวางเว้นไปไกลตัวทานสับพะโรร้อนรำคาญพินาดไปในทันทีพระสจักอันตรายสุขใจกายกเกษมสีที่คายุ ลูร้อยปีสวัสดีตลอดไปอภิวาทนาสีลิบสะนิจจังวุธาปาาัจจิยน วนโสุขขังพาลังผู้อ่อน้อมยอมทอมตนต่อบุคคลผู้สูงวัยเขารบ นบกราบไหวได้รับพรสีประการอายุวันนัสุขภรรัแรงแกร่งกลางานเจริญยิ่งวัฒนาการกเกษมสานนิรันดร